นี่ผมถามบาลังเขานะเขาบอกเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปถามที่พาม่า ก, ก็บอกว่าอยู่อยู่ที่หายใวัตถุซึ่งตรงนี้ในทางความคิดนั่นเป็นปัญหาแต่ว่าในทางประสบการณ์นะเขายืนยันกันมาว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีการวิจยัยวิจารณ์กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทาพูดไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยากจะไปแตะต้อง ไอ้ตื่นตโนกตกใจว่าก็แท้จริงควรจะเป็นอย่างไรแน่ฟังเอาหลักๆเมื่อก่อนก็แล้วกันเอาล่ะมาดูในส่วนที่ระบุว่าปัจใจที่ไม่ปรากฏชัดปัจใจที่ไม่ปรากฏชัดคืออำนาจกรรมวัดแล้วก็อำนาจการสืบขนาดของจิตปัจใจสองอย่างนี้ไม่ปรากฏชัด ทั้งที่ว่ายัางอำนาจการสืบกระนาของจิตเนี่ยมันมันเป็นอำนาจปัจจัยที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากแต่ไม่ปรากฏชัดข้อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดติดเนื่องกันจนเกินไปบางทีก็เลยไม่เห็นและอำนาจกรรมคือกรรมที่เราได้ทำไว้เนี่ยไม่ปรากฏชัดซึ่งเราเองเราเป็นคนศึกษาทั้งนี้ล้วก็คิดดูก็นึกแปลกใจอยู่เป็นอาจีนว่า คนที่มีชีวิตได้ชั่วหรือได้ดีเพราะอำนาจกรรมที่ได้ทำไว้เนี่ยมักมองไม่เห็นใช่ไมฮะมักมองไม่เห็นหลายหลายคนที่ทำความชั่วไว้แล้วกําลังถูกความชั่วลุมเล่นงานผลความชั่วลุมเล่นงานเนี่ยและตัวเองไม่เคยสดับตรบฟังธรรมะไม่เห็นนะไม่เคยนึกเห็นเว้นแต่บางคนที่พอจะมีวาสนาบารมีบ้างอาจจะพอละแค่ละคายจาก อะไรอะไรบางอย่างมาสกิดบ้างนะแต่หลายคนเนี่ยไม่เห็นนะแล้ ว, ลวเหมือนไปจะเป็นว่ายิ่งกรรมให้ผลเท่าไหร่ยิ่งไม่เห็นเท่านะเพราะมันไอเออโดยเพาะองค์ตัวละครเนี่ยนะเวลาให้ผลแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานโดยทั้งไม่มีแก่ใจที่จะมาคิดเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการจะเห็นได้ต้องเป็นปัญญาจิตต้องดีพอสมควรใช่ไหมครับถึงจะเข้าใจถึงจะเป็นของ ที่อยู่กับเราเป็นเป็นพลังที่สนองผลกับเราตลอดเวลาแต่เห็นได้และที่เห็นก็เห็นได้ในเงื่อนไขยํำกัดในกรณีที่เราเชื่อและเราพอเห็นได้เนี่ยก็เห็นได้ในเงื่อนไขนี่เป็นปัจจัยที่ไม่ปรากฏจัดถ้าเป็นอำนาจสันตติเนี่ยคนจะเห็นได้เนี่ยต้องเป็นคนที่กำหนดวิปัสนาจนสติสันติขาด เรเคยด้ยินใช่ไหมจึงจะเห็นได้เพราะฉะนั้นที่เราไม่เห็นนี่แหละครับท่านถึงบอกว่าสันตติบังนะฮะ บ, บังสันตติเนี่ยมันบังบังความขาดตอนของจิตเมื่อไม่เห็นความขาดตอนของจิตก็ไม่เห็นอํานาจอุดหนุนให้เกิดการสืบต่อของจิตเป็นของใกล้ตัวแต่เห็นยากอย่างยิ่งไม่ปรากฏชัดอย่างยิ่งเดีนี้มาดูกรณีที่สองนะฮะ จำแนกโดยระยะการของตัวปัจจัยคําว่าจําแนกโดยระยะการของตัวปัจจัยเนี่ยก็คืออํานาจปัจจัยบางตัวเป็นของไกลผลเป็นของไกลผลห่างจากผลผลที่เราได้รับเดือนนี้ไอตัวปัจจัยเนี่ยบางทีมันเกิดอดับไปตั้งนานแล้วไกลหูไกลตาไกลสํามึกที่เราจะเข้าใจที่จะยอมรับได้บางอย่างก็เป็นปัใจจัยใกล้ตัว อยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าจะเห็นง่ายหรือเห็นยากนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางอย่างใกล้แต่เห็นยากบางอย่างไกลกว่าแต่เห็นง่ายกว่าก็เป็นได้ในนี้จึงได้แบ่งว่าปัจจัยไกลคืออำนาจกรรมวัดเพราะเป็นปัจจัยที่ทำก่อนแล้วจึงได้รับผลภายหลังเรียกว่าอย่างเร็วสุดก็เจ็ดวันอย่างที่เคยได้ได้ยินกันใช่ไหมเจ็ดวันแต่ว่าบางทีก็ไม่ถึงเจ็ดวันอย่างกรณีที่เรา ทำบุญดูที่สูงสนให้กับเจ้ากรรมในเวร น, นี้นะให้กับตัดในปารโลกเขาอนุโมทนาก็ได้รับผลทันทีเลยไม่ต้องรอเจ็ดวันนั่นก็เป็นกรณีที่เรียกว่ากรรมธรรมดาแต่ว่ามีผลปรากฏพิเศษกับสภาพของชีวิตบางชีวิตถ้าเป็นกรรมในเงื่อนไขอื่นแล้วก็จะต้องรอเวลาแล้วก็อานาจกรรมเนี่ยที่ไกลสุดถึงขนาดกาหนด ระยะเวลากันไม่ได้ถึงวางเขตตั้งแต่ว่าทําแล้วยังไม่เข้านิพพานกรรมนั่นก็สามารถที่จะให้ผลได้เป็นกระดาบริยภาะเวทนียกรรมส่วนปัจจัยทั้งใกล้ทั้งไกลคืออํานาจอุปนิสัยนี่เป็นอันหนึ่งนะ่ะเนื่องจากว่าอํานาจอุปนิสัยเนี่มันมีอยู่สองส่วนอํานาจที่ทําให้เกิดอุปนิสัยคืออุปนิสัยที่สะสมด้วยอํานาจจิตในอดีต จิตที่เรารู้เราคิดต่างๆแล้วแล้วเราเล่านี่แหละครับความจริงแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยเวลาเราเกิดความยินดียินล้ายขึ้นมาครั้งหนึ่งจะในทางบุญหรือในทางบาปก็ตามเนี่ยเราสะสมนิสัยไปในตัวสะสมนิสัยไปในตัวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เราก็ต้องได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นในทางพระในทางปฏิบัติเป็นกุศลเนี่ยถ้าสำหรับคนที่รู้เขาก็เอาอุบุณิสัยด้วยเกิดจิตแล้วก็รู้ว่าทําจิตจิตนี้เกิดแล้วก็เกิดอุบุณิสัยขึ้นมาบางทีถึงต้องพยายามทําให้เกิดอุบุณิสัยเป็นผลหวังได้เฉพาะหน้าก่อนเพื่อใช้อุบุณิสัยนั้นเป็นผลอ่าเป็นตัวนําผลอย่างอื่นสืบต่อไปโดยลําดับเพราะฉะนั้น จิตที่เป็นที่มาของนิสัยปัจจุบันของเราก็คือจิตเก่าคือจิตเก่าไอ้เก่าแค่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับกรรมแ่ะครับเหมือนกับกรรมถามว่ากิเลสอาสวะกิเลสที่สั่งสมอยู่ในสันดานของเราเกิดขึ้นจากอำนาจปัจจัยอะไรกรรมมาปัจจัยหรืออุปนิสัยปัจจัยตอบว่าโอ เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างหนึง่งแล้วก็เราจะรู้สึกว่าไอ้อุปนิสัยเนี่ยถ้าอธิบายละเอยียดก็จะแยกให้เห็นเลยทีเดียวว่าเอบางอย่างเนี่ยมันทําไมถึงมั่นคงไม่เคยเสื่อมถอยไม่เคยลืมไม่เคยหลุดแต่นิสัยบางอย่างนี่ทําไมมันเสื่อมมันถอยได้จริงไม่จริงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่เสื่อมถอยใช่ไหมเกิดเมื่อกี่ชาติก็ติดตัวเข้ามา และทำไมนิสัยบางอย่างมันถึงผูกปูบ ป, ปลูกอย่างเช่นว่าทานนิสัยทางทานนิสัยทางศีล น, นิสัยทางสุตานิสัยทางวิปัสสนาอะไรพวกนี้นะมีมีเสื่อมมีถอยแล้วก็ไอ้นิสัยความถนัดจัดเจนเกี่ยวกับบางเรื่องบางเรื่องที่มันจะต้องไปได้เพราะเช่นว่านิสัยที่ได้จากการเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีไม่เกิดนิสัยนี้ใช่ไหมฮะ สมัยไม่มีรถไม่มีอะไรก็มันก็ไม่ได้นิสัยนี่นอาจจะได้โดยลักษณะใกล้ๆกันแต่มันก็ไม่ถึงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็อธิบายว่าอุปนิสัยที่มันฝังแน่นเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยลืมไม่เคยเลิกในการเวียนว่ายใจเกิด อ, อยู่ในสังสารวัตรอย่างเช่นเรียกว่าเป็นอุปนิสัยรองหลังเราเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่ในกา마ภูมิ กามาสวะภาวาสวะทิศาสวะวิชาสวะมันจะต้องเกิดกับเราเพราะอะไระเพราะว่าไอ้กิเลสหรือนิสัยพวกนี้นะ่ะอาศัยนามรูปทุกอย่างเกิดได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อว่าไว้ในหลัก อ, อนุสัยอย่างนั้นแต่ว่านิสัยบางอย่างมีวัตถุบางอย่างในบางการเป็นที่อาศัยเกิด พวกนี้กําลังมันเปลี่ยนได้มันมันอถอนลืมไปบ้างอะไรไปบ้างเป็นครั้ ง, เ ป, งเป็นคราวดได้และนิสัยบางอย่างเนี่ยไปเกิดในภูมิไหนพบไหนก็ไม่มีทางไม่ได้สร้างสมนิสัยอันนี้อย่างเช่นมานะกระธิธิเนี่ยนะฮะมานะกริธิตันหามานะกระธิธิเอาเป็นแบบรวมๆเนี่ยไปเกิดในภูมิไหนก็ต้องมีช่องที่จะเกิดกิเลสพวกนี้ ทั้งสิ้นเพราะว่านามรูปปรากฏที่ไหนทิฏฐิในนามรูปก็ย่อมปรากฏได้นามรูปทุกพบทุกภูมิเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ทิฏฐิทั้งนั้นไปลงนรกอัตภาพในนรกก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหามานาทิติได้ไปอนรูปอภิรม อาตาภาพของความเป็นลูกบพรมก็เป็นที่อาศัยเกิดของตัณหามาณติติได้ไม่เคยหยุดทํางานเลยตัณหามาณติติอย่างอื่นยังหยุดทํางานบ้างอันนี้ที่ใกล้ก็คือพวกสิ่งแวดล้อมปฏิบับันสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่อาศัยแก่นิสัยเป็นที่เพราะนิสัยเนี่ยครับทางเอ่อตรงนี้นะมันต่างกับอารมณปัจจัยที่ผมบอกแล้วนะฮะอารมณปัจจัยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับรู้ โดยทั่ววไปแล้วก็มีผลพลังในทางรับรู้รู้แค่ไหนมีพลังแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุสิ่งแวดล้อมแม้เราไม่รับรู้ก็มีผลในทางทําให้เกิดอุปนิสัยโดยไม่ต้องรับรู้เหนือการรับรู้ยกตัวยอย่างกรณีของเรื่องสัพพายะเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอพวกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็น ประโยชน์เกี่ยกับูณใดๆเนี่ยแม้ไม่รับรู้ก็เป็นอุปนิสัยได้เวลาที่เราไปเกิดอยู่ในที่ใดๆในสิ่งแวดล้อมใดๆเนี่ยเกิดอุปนิสัยเกิดอาการเป็นไปของคิดในลักษณะเป็นอันมากได้ทางนั้นทีนี้มี อ, อีกอีกอันหนึ่งคืออำนาจหน่วงน้าใจอันนี้มีทั้งใกล้ทั้งไกลเนื่งองจากว่าอารมณ์เนี่ยนะครับอารมณ์บางอย่างเป็นอารมณ์หยาบอารมณ์ถ้าถามว่าอะไรเป็นอารมณ์หยาบ ก็คือพวกรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐะที่อย่างปกติธรรมดาแค่นี้เป็นอารมณ์ยากแล้วถ้าถามว่าอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นของไกลเป็นของสูงเป็นของลึกควารจริงเรื่องไกลเรื่องใกล้เนี่ยท่านเทียบกันเป็นชั้นๆที่จะพูดนี้เป็นเลยเพียงว่าเทียบระหว่างอารมณ์ของคนปกติธรรมดากับอารมณ์ของคนที่เข้าได้ชานได้สมาธิได้ทำภาวนานหถือเป็นอารมณ์ละเอียดหรือว่าถ้าเทียบว่า คนที่เรียนรู้ในเรื่องปริยัติเข้าใจหลักเหตุผลลึกๆก็เรียกวเป็นอารมณ์ลึกทําให้อคนนั้นอาจจะมีการกระทําอะไรที่เหนือความเข้าใจได้ของคนทั่วไปซึ่งคนที่เขาทําอย่างนั้นเขาก็มีเหตุผลก็คืออารมณ์ในไอเหตุผลก็คืออารมณ์อะว่าเพราะอะไรที่เขาคิดเห็นเขาจึงทําอีกอย่างหนึ่งไม่ทําอย่างที่คนอื่นทําพวกนี้เป็นอารมณ์ลึกเป็นนี่มาถึงปัจจัยใกล้ <c oughs> ปัจจัยใกล้อย่างเดียวนะครับ ปัใจจัยใกล้นั้นก็คืออำนาจคุณคุมคําจุดร่างกายไว้ทั้งอาหารและกรรมเจรูญนี่ถือว่าเป็นปัใจจัยใกล้ใกล้โดยการแต่อาจจะเข้าใจชัดไม่ชัดบางตัวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอแล้วก็ต่อไปอำนาจความคลุกเจือกันของจิตก็คือพลังเจตสิกกับจิตที่ปรากฏในขณะจิตเดียวกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันนี่ก็ใกล้เห็น เ, นเลยนะ และอำนาจความครุกเจือกันของรูปนี่ก็ใกล้อยู่เหมือนกันครับสภาพร่างกายในปัจจุบันขณะนั้นในทางกายภาพทุกอย่างถือว่าเป็นความปรากฏขึ้นของการรลุกเจือของลูปต่อไปอำนาจกายเป็นที่อาศัยของจิตนี่เป็นของใกล้เพราะว่าจิตขณะนี้จิตนี่มันปรากฏเป็นขณะขณะขณะจิตของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาจิตอดีตดับแล้วก็ดับไป ตัวจิตสิ้นสภาพอาจจะเหลือพลังเหลืออำนาจนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและจิตที่ปรากฏเป็นขณะปัจจุบันก็อาศัยวัตถุครุภที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นไปก็นี่เป็นของใกล้เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั้นแล้วแต่อํานาจจิตเป็นผู้กํากับกายนี่ก็เป็นขอ ง, งไงลอกลทั้งสองอย่างเลยครับทั้งกํากับโดยการประยุงต์หรือโดยกา ร, บ, ารบังคับให้เคลื่อนไหวก็แล้วแต่ และที่ใกล้อีกอย่างหนึ่งก็คืออำนาจการสืบต่อขนาดของจิตนี่เป็นของเห็นมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยเป็นพวกปัใจจัยใกล้อ่านี้มาดูจําแนกโดยความเป็นรูปเป็นนามเอ่ตรงนี้เห็นจะง่ายนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้สําหรับการจําแนกโดยความเป็นรูปเป็นนามนะฮะผมจะจะผ่านเอกสารชุดนี้ไปไปเท่านี้นะครับ จะให้ท่านดูเอกสารซึ่งจะเป็นเป็นบทสรุปในส่วนหลักๆนะครับให้เห็นกว้างๆแล้วก็จับหลักที่ควรจะหมายรู้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะได้ฟังได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไป <c oughs> ผมจะอธิบายอโดยสังเขตสําหรับเอกสารจุดนี้แล้วก็คราวหน้าจะอธิบายเป็นแบบประโยคอธิบายเป็นรายละเอียดในทาง ในทางข้อคิดมุมปฏิบัติอย่างเป็นพิสดารในเอกสารชุดนี้ที่คือหนูข้อว่าจำแนกปัจจัย52โดยชาติ9คำว่าชาติเคยบอกแล้วว่าแปลว่าตระกูลการจัดปัดจจัย24โดยตระกูลของปัจจัยเป็นสำนวนที่ใครๆปัจจุบันที่เราแบ่งอะไรอะไรเป็นตระกูล ภาษาก็มีตระกูลพืชพันธุ์ทัญญาหารก็มีตระกูลสัตว์ก็มีตระกูลคนก็มีตระกูลอาจจะไม่ได้เรียกเป็นตระกูล เ, เป็นพวกมนุษยพันธุ์เชื้อชาติเชื้อสายไหนสายไหนก็มีการแบ่งให้เป็นข้าวพวกเพื่อจะได้สะดวกในการพูดถึงในการศึกษาในการวิเคราะห์หารายละเอียด <c oughs> ปัดจจัยก็เหมือนกันท่านก็จัดเป็นตระกูล เรียกว่าชาติก็จะเห็นว่าปัจจัย52โดยพิสดารเนี่ยเมื่อจําแนกโดยความจัดเป็นตระกูลแล้วมีอยู่9ตระกูลคือ1ชาติชาติชาติคือตระกูลที่เกิดพร้อมกันที่มีลักษณะเกิดพร้อมกันเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด15ปัจจัยอันนี้ก็อ่านให้ความหมายในยว่าปัจจัยจําพวกที่มีขนาดเกิดขึ้นพร้อมกันกับ ปัจจุบันของตนปัจจุบันแปลว่าผลนะครับผลของปัจจัยนั้นเรียกว่าปัจจุบันเอาความว่าผลก็แล้วกันปัจจัยคือเหตุเหตุกับผลเกิดพร้อมกันปัจจัยที่เกิดพร้อมกับผลของตนเรียกว่าสหาหชาติปัจจัยบางทีมีหลายปัจจัยแต่ว่าเนื้อหาเป็นอันเดียวกัน <c oughs> อย่างในนี้ท่านแบ่งเป็น สามส่วนข้อกอสหาชาติสหาชาติชาติใหญ่สี่ปัจจัย <c oughs> แล้วก็สหาชาติชาติกลางสหาชาติชาติเล็กคําว่ากลางเล็กใหญ่หมายความว่าอย่างไรนะครับตรงนี้หมายความว่าอขอบเขตของความเป็นปัจจัยที่ระบุถึงนั้นกว้างแคบกว่าการแค่ไหนเราดูสหาชาติใหญ่ก็จะเห็นเป็นข้อชัดเจนก่อนว่า สหชาตชาติใหญ่สี่ปัจจัย <c oughs> คือ <c oughs> หมายความว่านามธรรมทั้งขณะทั้งขณะไมายถึงขณะที่ปรากฏในทั้งขณะแล้วก็ทุกขณะโดยทุกขณะที่ปรากฏเป็นปัจจัยแก่นามในขณะเป็นนามในขณะเดียวกันนะฮะแล้วก็เกิดอยู่ด้วยกันแล้วก็และรูปด้วยรูปที่เอขณะจิตนั้นมีพลังผลเป็นเป็นเหตุ เชื่อมไปถึงอันนี้ก็ดูชื่อปัจจัยเนี่ยก็เห็นว่าอ่าสหาชาติสาะชาตานิสยะสาหาชาตัดทิราชาตอวิ ก, วกาตะชื่อต่างกันแต่ว่ามีความหมายเป็นอันเดียวกันมีความหมายเป็นอันเดียวกันคืออย่างไรคือในนี้น่ะนามกับนามก็คือในขณะจิตหนึ่งเนี่ยทั้งขณะจิตนั้นเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นปัจจัยเชื่อมถึงกันหมด เรียกว่านามกับนามและนามกับรูปก็หมายความว่าจิตนั้นเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวก็ดีหรือถ้าเป็นปฏิสนธิจิตทั้งดวงนั้นเป็นเหตุให้รูปกลายเป็นสภาพของของสัตว์ขึ้นมาใหม่ก็ดีที่เรียกว่าปฏิสนธิกรรมมช่รูปนะนีะ <c oughs> น่คือกรณีรูปกับนาม <c oughs> และรูปกับรูป รูปกับลูกก็หมายถึงมหาพุทรูกกับมหาพุทธรูปมหาพุทรลูกอุปาตยลูกเมื่อกี้เป็นสาชาติพอเกิดร่วมกันีย <c oughs> นี่คือสหชาติชาติสี่ปัจจัยมีความหมายเป็นอันเดียวกันครอบคลุมทั้งดวงจิตเลยเต็มหมดนะฮะอันนี้มาดูส่วนที่สองเรื่องสหาชาติกลางสาชาติกลางสี่ปัจจัยเนี่ยนา ม, มาทาทั้งขนา เป็นปัจจัยแก่นามในขณะหรือและแก่รูปด้วยอันนี้ก็หมายความว่าบางทาีเป็นปัจจัยแก่รูปด้วยหรือบางทีเป็นปัจจัยแก่เฉพาะนา้ำที่มีข้อเว้นข้อยกเว้นออกไปบ้างจากกรณีสาชารจาชาติใหญ่ mm hmm. ผมคี้ให้เห็นนะอย่างเช่นอัญญมัญญปัจจัยอัญญามัญญะปัจจัยนั้น นามกับในขณะจิตหนึ่งเนี่ยนามกับนามเป็นอัญญมัญญาปัจจัยกันใครใครสหาชาติชาตินะแล้วก็นามกับรูปนามกับรูปที่เป็นอัญญมัญญาปัจจัยกันเนี่ยเอาเฉพาะตอนปฏิสนธิที่ได้กล่าวแล้วนะว่าปฏิสนธิย่างลงกรรมจะรูปที่ปรากฏนั้นเป็นอัญญามัญญาปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตแต่ จิตจะสรูปอื่นๆแล้วไม่เป็นอัญญาปัญญาปัจจัยอย่างเช่นว่าจิตสั่งให้ยกมือเนี่ยมือไม่เป็นอัญญะแก่จิตที่สั่งก็เลยขาดตรงนี้ไปแต่เป็นสหาชาติอันนี้คือข้อเนื้อกว่านะสหาชาติก็ว่าจิตเดี๋ยวนั้นบังคับรูปเดี๋ยวนั้นเป็นสหาชาติสหาชาตินั้นครอบคลุมครอบคลุมถึงการบังคับรูปไม่เคลื่อนไหวแต่อัญญาไม่ครอบคลุมมาถึงก็เลยเล็กกว่าตรงนี้นครับ แตัวนีใ้ให้นึกเข้าใจคร่าวๆตรงนี้นะจําได้ไม่ได้เนี่ยไม่ ไ, ไ, มไม่ใช่เรื่องสําคัญอ่ะแล้วก็รูปกับรูปรูปกับรูปเป็นอัญญาก็คือมหาพูทธลูกสี่เป็นอัญญามัญญะปัจจัยกับมหาพุทธลูกสี่แต่ไม่เป็นอัญญมัญญปัจจัยกับอุปาทิยลูกแต่ในแง่ของสหชาตชาติแล้วมหาพุทธลูกกับอุปาทิยลูกเป็นสหาชาตชาติกันนี่เป็นข้อแคบลงมาของอัญญามัญญะปัจจัย จึงเรียกว่าเป็นสาชาติชาติกเียก็ว่ากันแบบเป็นหลักการแท้ๆเลยนะทําอะไรกินไม่ได้เลยอธิบายแบบทําอะไรกินไม่ได้แล้วก็ข้อหกสัมยุญตปปัจจัยอันนี้เป็นเรื่องนามในขณะนั่นเองนะที่ประกอบกันลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับลูกก็เลยกลายเป็นสาชาติกลางเพราะมีข้อจํากัดอยู่แค่นามไม่ไปเกี่ยวถึงลูกคราวนี้วิบากปัจจัย เป็นเรื่องนามกับนามแล้วก็นามกับรูป เ, เพราะว่ามุ่งกล่าวเฉพาะวิบากจิตจิตอื่นไม่เอาก็เลยถูกลดสวนลงมาตรงที่หมายเอาบางประเภทของจิตถ้าสหาชาติเนี่ยเขาไม่ไม่กาเกณฑ์ประเภทจิตจิตทุกจิตเอาหมดเต็มหมดเลยเพราะวิบากจิตเนี่ยถูกจากัดว่าเอาเฉพาะวิบากจิตเท่านั้นจิตอื่นไม่เอาก็เลยกลายเป็นเป็นสหาชาติกลางถึงว่า จะนับทั้งดวงของวิบากจิตก็ตามแต่เนื่องจากว่านับเฉพาะวิบากจิตก็เลยกลายเป็นสาชาติกลางการที่สาหาชาติวิปยุทธสาชาติวิปยุทธนี่คือนามกับรูปข้อนี้ก็หมายถึงปัจจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนามกับรูปเท่านั้นบังคับรูปให้เคลื่อนไหวเป็นเป็นวิปยุทธสาชาติวิปยุทธและ อ, อรูป เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตเป็นสหาชาติและวิประยุทธ์คือเรียกว่าความสัมพันธ์ของรูปกับนามเนี่ยเป็นวิประยุทธ์เท่านั้นจะสัมพันธ์กันในรูปใดก็ตามต่อไปคอสหาชาติชาติชาติเล็กไอ้ตัวนี้พอมาพูดถึงนี้จะทําให้เราเห็นชัดขึ้นเลยทีเดียวนา ม, มาทําบางตัวในขณะเป็นปัจจัยแก่นามและรูปดัสังเกตคำว่าบางตัวนะบางตัวในขณะจิตใดขณะจิตหนึ่ง ไม่ใช่ทุกตัวเหมือนอย่างสหาชาติเนเอาทั้งหมดหรือหรืออัญญาอัญญาก็เอาทั้งหมดสัมยุทธ์ก็เอาทั้งหมดวิบากก็เอาทั้งหมดแต่อยู่ในกรอบของวิบากจิตคืออย่างไรสหาชาติกรรมความเป็นปัจจัยโดยความเป็นสหาชาติกรรมเนี่ยอะไรเป็นตัวปัจจัยโดยความเป็นสาชาติกรรมปัจจัยอะไรเป็นกรรมเจตนานะฮะงนั้นถ้าทําภาพสมมุติให้ดูเนี่ย เจตนาเจตสิกตัวเดียวเท่านั้นเจตนาเจตสิกตัวเดียวเท่านั้นในจิตขณะหนึ่งเจตนาเท่านั้นชื่อว่าเป็นกรรมและเจตนานี้เกิดพร้อมกับจิตเจตสิกในขณะเดียวกันเจตนาเป็นกรรมในรูปของการจัดแจงจัดแจงให้ จิตเจตสิกนั้นพุ่งไปสู่อารมณ์เดียวกันทำให้จิตกับเจตสิกอื่นนั้นบังคับวาจาเดียวกันบังคับอิริยาบถเดียวกันทาให้การกระทําใดๆสำเร็จด้วยเอาเจตนาเป็นกรรมในลักษณะเกิดในขณะนั้นเกิดอยู่ในจิตนั้นเรียกว่าศาสตร์ตกรรมไม่ใช่เวรกรรมตัวนี้ แต่ถามว่าแล้วมันมีไม่เป็นเวรกรรมแล้วบอกมันมีพลังทางเวรกรรมเหมือนกันแต่เป็นพลังที่จะออกผลภายหลังไม่ใช่ออกผลเดียวนั้นตอนออกผลที่แรกเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้จัดแจงให้สําเร็จในการงานที่จะพึงกระทําเฉพาะหน้านี่คือศาชาติก ร, รมก็เลยตัวปัจจัยคือเจตนาเจตสิกที่เหลือรูปที่เคลื่อนไหวด้วย อเจตนานี้เกิดขึ้นจากสาชาติก ร, รมคือเจตนานี้จึงเป็นเอาตัวเดียวที่เล็กคือเอาตัวเดียวครับสหาชาช่เฉยเอาหมดสหาชาติก ร, รมเอาเจตนาตัวเดียวนามอาหารปัจจัยเอาสามอันอื่นไม่เป็นนามอาหารสามก็คือผัสสะเป็นผัสสอาหารแล้วก็เจตนาเป็นมโนสันเจตนาอาหารจิตเป็นวิญญาณอาหาร เป็นพลังของอาหารฝ่ายนามสามอย่างนี้อันอื่นไม่ใช่อาหารแล้วก็สิบเอ็ดสหาชาตาธิปฏิก็เอาเฉพาะเจตสิกที่เป็นอธิบดีนามธรรมที่เป็นอธิบดีคือฉันทะวุรียกิตตะและวิมังสาอันอื่นไม่เรียกว่าเป็นสหาชาตาธิปฏิสองเหตุหกโลภโทสะโมหเจตสิกสามตัวนี้เป็นเหตุ อารภาโทสะโมหะเจตสิกสามตัวนั้นเป็นเหตุข้างฝ่ายดีเป็นปัจจัยโดยเป็นรากเหง้าของความเป็นบุญเป็นบาปในขณะจิตใดขณะจิตนั้นเจตสิกอื่นจากเหตุเป็นผลของเหตุตปัจจัยนี้อันนี้ก็เป็นเป็นข้อธรรมเฉพาะบางตัวนี้เท่านั้นองชานก็เหมือนกันแล้วก็อินทรีแปดนะ องค์ชานเจ็ดเนี่ยก็ได้ว่าแล้วนะควาจรงอีสีแปดก็พูดแล้วเหมือนกันองค์องค์ชานปกติมีห้าแต่ขยายขยายเวทนาจากสุขหรืออุเบกขาเนี่ยเติมโทมนัสก็อีกตัวโทมนัสเป็นองค์ชานไม่ใช่ในชานสมาบัติเป็นองค์ชานนอกชานสมาบัติแล้วก็สหาชาตินทรีก็คือ นามอินทรีย์แปดก็ก็มันมีห้าที่เรารู้จักดีคือศรัทธาวิญญาติสตษษมาธิปัญญาเนี่ยห้าแหละแล้วก็มีมานินทรีย์ใจอีกหนึ่งมีชีวิตสินทรีย์นามาชีวิตอีกหนึ่งน ะ, ะอา่าเป็นเจ็ดแล้ใช่ไหมฮะแล้วมีอินทรีย์อีกตัวหนึ่งอะไรละ่ะเวทนาเวทนาเจตสิกเป็นโสมนัสสินทรีย์โทมนาสินทรีย์อุบเบกินทรีย์ สุกินซีทุกินรียเวทนาตัวเดียวเพราะฉะนั้นี้นี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอินรีที่เป็นพลังปัจจัยที่ยกขึ้นเป็นพิเศษโดยความเป็นอินรียอันอื่นเป็นสหชาติได้แต่ไม่เป็นอินทรีแเราองค์มร์เก้าก็เพิ่มมิจฉาทิฏฐิเข้าไปเป็นมร์ฝ่ายผิดก็มีฐานะเป็นมร์ขปัดใจอ่อนี่ก็เป็นสหชาติเล็กนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้ตัวเลขต่างๆที่ในที่นี้ผมใส่มาให้ดูก็เพื่อให้เห็นว่ามันบางตัวกี่ตัวเอาเอาเอาท่านั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจําตัวเลขที่ว่ามาหุ่นวายนี้สําหรับคนที่ยังไม่ประสงค์จะใส่ใจตรงตร ง, ตรงจุดรายละเหตุนี้นะครับเอาล่ะไอ้ที่บอกว่าลําดับจากปัจจัยมากองค์ไปหาปัจจัยในองค์ก็คือเรียงจากสหาชาติเล็กถึงเล็กที่สุดมหา เล็กที่ไม่ใช่เล็กที่สุดแต่ก็เล็กแบบใหญ่แบบเล็กอันนี้มาถึงประเด็นสองอารมณชาติชาติที่สองนะครับมีที่สองปัจจัยคือปัจจัยเจนพวกที่เป็นอารมณ์แกจิตอารมณปัจจัยเนี่ยไม่ได้แยกประเภทสภาพว่าต้องเป็นอารมณ์อย่างไรอารมณ์ทุกอารมณ์ที่กระทบจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นอารมณปัจจัยหมด แต่ที่เรียกว่าอารมณนาทิปติเนี่ยหรืออารมณูปนิสยาอารมณะบวกอุปนิสย ะ, ปปสยะแปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นที่อาศัยอย่างแรงโดยเป็นอารมณ์ก็เอาความว่าเป็นที่เป็นอารมณ์รุนแรงทั้งคู่แหละครับต่างกันโดยไฟเยนชนะอารมณนาทิปติกับอารมณูปนิสยะเนี่ยคืออารมณ์ที่รุนแรงทั้งคู่นี่เป็นการกล่าวถึงปัจจัยสายอารมณ์ที่เน้น กำลังนีขอ้อก่อนะนข้อข อ, ขอบอกว่าอารามณปุเรชาติอารามณะปุเรชาติอารามณปุเรชาอวิคตาแล้วก็อารามณะปุเรชาอา่แอ า, าอแค่นี้ก่อนอสามอารมณ์เนี่ยครับโดยความเป็นอันเดียวกันแต่ว่าที่เขาเรียกว่าปุเรชาติอารามณปุเรชาติ หมายถึงอารัมมณะปัจจัยตามข้อหนึ่งนั่นแหละแต่เป็นกรณีที่จําแนกโดยการว่าเกิดก่อนไอ้ข้ออารัมมณะทิติียวโดยกําลังแต่มาถึงตรงนี้นะโดยการจําแนกโดยการเกิดก่อนจิตอารมณ์ที่จิตรู้โดยที่อารมณ์นั้นเกิดก่อนจิตเรียกว่าอารัมมณะปุเรจาตะอันนี้มาดูข้อขอข้อคอ วัฏฐาระมณะปุเรชาติวัฏฐาระมณะปุเรชาตานิส ย, ว า, า, ย า, าวัฏฐาระมณะปุเรชาตาวิปยุตชาตาวิปยุตและวัฏฐาระมนาปุเรชาตาปุเรชาตัิทินะไอตัวนี้ปุเรชาติทิมันเกินมาหน่อยครับคือตเต่ากระชอช้างสละอาน่ยมันเกินมาหน่อยเป็น วัฏฐาระมณุษปุเรชาติก็มาจากคาว่าปุเรชาตะบวุคคลที่นี่ก็ปุเรชาติวิสตาก็ชาติเกิดมามาตัวนึงแล้วก็ปุเรชาติชาตาที่ปฏิวัฏฐาระมณุปุเรชาตาที่ปติชาติเกิดมาตาตหนาเกิดมานะอันนี้จะสำหรับ ข้อเจ็ดถึงข้อสิบเอ็ดเนี่ยนะครับที่ว่าวัฏารมนณาปรเรชาตะาจนถึงปรเรชาตะอวิชตะเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งของจิตนั้นด้วยก็เอาความง่ายๆว่าเป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งของจิตด้วยจิตอาศัยวัตถุใดด้วยแล้วก็จับวัตถุนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเรียกว่า อารมณะปวัตารามณะปุเรชาตะาอคำว่าชาตะระบุว่าเกิดก่อนจิตนั้นด้วยสำหรับข้อสิบสองนะที่มีคำว่าอธิบดีข้อนี้หมายเอาความหมายยืนอยู่บนข้อเจ็ดถึงข้อสบอ็นั่นแหละแต่ความต่างอยู่ที่เป็นอธิบดีเป็นอารมณ์แรงไม่ใช่อารมณ์ทั่วๆไปที่ไม่ะระบุความแรง เหมือนอย่างที่กล่าวในข้อเจ็ดถึงข้อสิก็คือว่าในขณะที่จิตของบุคคลใดาอาศัยวัตถุใดยอยู่แล้วก็พิจารณาวัตถุนั้นให้เป็นอารมณ์จับวัตถุนั้นเป็นอารมณ์อย่างตื่นเต้นและรุนแรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นวัตถุด้วยเป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็รุนแรงด้วย อ น, นี้รุนแรงว่าอย่างไรด้วยจิตอะไรเนี่ยเขาแจกไว้ในรายละเอียดแต่นี้มันไม่พูดถึงนะอันนี้มาพูดถึง อ, อนันตราชาติอนันตราชาตเจ็ดปัจจัยจําพวกที่ให้การสืบต่อแก่ปัจจยุบรรของตนนะก็คือจิตดวงแรกเป็นปัจจัยจิตดวงหลังเป็นปัจจยุบรรโดยความเป็นปัจใจเนี่ยมีหลายชื่อของปัจจัยแต่สภาวะนั่นก็ มีแค่สามอย่างที่ได้พูดมาแล้วคืออนันตระปัจจัยสัมมันตระปัจจัยอนันตูปนิสยปัจจัยนัตถีปัจจัยวิกตาปัจจัยห้าปัจจัยนี้อันเดียวกันครับเหมือนกันเปรียบเป็นอันเดียวกันเลยก็เพียงแต่ว่าโดยลูกของพระเยซน้าเนี่ยอนันตระสัมมันตระบอกอาการสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นอนันตูปนิสยาบอกอำนาจนัตถิ อวิสตาบอกสภาพว่ามีอยู่ยังไม่ปราศ จ, จากปัจคําคำว่าทั้งขณะทุกขณะก็คือขณะจิตแต่และขณะจิตเป็นปัใจจัยให้แก่จิตขณะหลังโดยเต็มขณะเลยแล้วก็ทุกขณะ ด, ด้วยการนี้มาพูดถึงข้อขอดูข้อขอข้อขอเนี่ยก็เป็นกรณีแคบของอนันตระปัจจัย มีชื่อสองปัจจัยแล้วก็สภาพต่างกันอย่างที่อธิบายมาในช่วงเมื่อกี้นะครับอาเสวนาปัจจัยบอกอํานาจคือขณะก่อนของชาวนะที่เสพอารมณ์แล้วถ่ายทอดความรู้ความซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ชาวนะขณะหลังมันก็เรียกว่าถ่ายทอดทั้งขณะแต่ที่ใช้คําว่าบางขณะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่จิตทุกขณะหมายเอาเฉพาะชาวนะขณะเท่านั้น อนันตระเนี่เข้าจิตทุกขณะส่วนอนันตระกรรมก็ตรงนี้บางส่วนของบางส่วนบางขณะขงจิตก็คือมกกรรคผลนั่นเองนะมกกะมรรคผลอย่างนี้ก็บอกบอกอำนาจเหมือนกันอนันตระนี่นะอนันตรกรร ม, มอ่ะทีนี้มาดูประเด็นสีวัตถุประเรชาตชาปัจจัยจําพวกที่เป็นที่ตั้งของจิตแต่เกิดก่อนจิตนั้น ปุเรชาตาเนี่ยมันยากตรงไอ้เกิดก่อนเนี่ยอธิบายกันให้เห็นภาพซึ่งมันต้องเขียนภาพอธิบายกันเยอะเสียก็จก็ที่พูดมาก็พูดเท่าที่พูดได้ก็จะลองพูดซ้ําอีกทีแบบไม่มีภาพคือจิตที่อาศัยวัตถุเกิดเนี่ยวัตถุวัตถุตาจหจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันจะอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนเท่านั้นที่ใช้คําว่าเกิดก่อนเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีขนาดสั้นๆๆๆๆๆ ไอ้ไอ้รูปแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีอายุสิบเจ็ดขนานะฮะนี่เมื่อมีอายุสิบเจ็ดขนาดเนี่ยรูปจิตมีขนาสั้นๆเท่ากับหนึ่งในสิบเจ็ดมันจะไปเที่ยวหนึ่งจิตหนึ่งขนาจะไปอาศัยรูปทั้งสิบเจ็ดขนามันก็ไม่มีอายุยืนพอที่จะใช้ประโยชน์จากการอาศัยรูปซึ่งมีอายุยืนทั้งสิบเจ็ดขนาดได้เต็มที่มันก็ล้มหายใจจากไปก่อนนะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสภาพที่เรียกว่าเลือกใช้เลือกอาศัยก็คือมันจะเลือกอาศัยตรงระยะกลางของอายุลูกระยะกลางคือไ อ, ไอตอนเกิดมันก็อ่อนแออ่อนใกล้ดับช่วงหลังของอายุลูปมันก็อ่อนแอมันก็เลยอาศัยได้ไม่ดีเพราะนั้นโดยธรรมชาติของมันโดยที่มันก็ไม่รู้นะรู้ตัวเนี่ยนะสภาพของลูก ซึ่งมีอายุอยู่ตั้งสิบเจ็ดขณะเนี่ยเป็นขณะต้นขณะกลางขณะหลงังจิตมันจึงอาศัยเฉพาะขณะกลางเพราะเป็นขณะรูปที่แข็งแรงเต็มที่เหมาะสมเต็มที่ซึ่งเป็นขณะดีที่สุดธรรมาชาติมันก็บังคับไปอย่างไงเว้นแตแต่ว่าตอนปฏิสนธิใหม่ๆเนี่ยรูปปรากฏปุ๊บ จิตต้องเกาะทันทีเลยเพราะมันไม่มีไม่มีทางเลือกถ้ามีทางเลือกแล้วมันก็จะเลือกอยู่ในช่วงกลางเมื่ออาศัยรูปช่วงกลางก็แปลว่าจิตซึ่งเกิดหลังเกิดที่หลังใช่ไหมอาศัยรูปซึ่งเกิดก่อนเกิดมาก่อนแล้วดําเดินอายุมาถึงตรงกลางอายุจึงเรียกว่าวัตถุปุเรชาตปัจจัยเพราะอย่างนี้อันนี้ก็ดูต่อไปดูต่อไปถึง วัตถุปรเรชาตาที่ว่าค้างเมื่อกี้นะครับมันมีหกปัจจัยปัจจัยที่อยู่ในชาตินี้วัตถุปรเรชาตาชาติวัตถุปรเรชาตาวิประยุต์วัตถุปรเรชาตะตัตถินะวัตถุปเรชาตะอาวิกตะวัตถุปรเรชาตานิสยะวัตถุปรเรชาตินริรยะความเป็นอันเดียวกันหมดครับไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันโดยสภาพแย่มุม บางจุดบางอย่างเท่านั้นเองถ้าใช้คำพูนหัวนววัตถุปรเรชาตาปัจจัยเนี่ก็บอกการบอกการของวัตถุที่จิตอาศัยถ้าใช้คํว่าวิปยุตต์ต่อหลังก็บอกอาการด้วยแล้วก็บอกการด้วยอาการที่ไม่ประกอบกันนั่นเองระหว่างเหตุกับผลเหตุก็คือวัตถุผลก็คือจิตซึ่งเป็นตัวอาศัยแล้วก็ปุเรชาตาติอวิกตะ นี่ก็บอกสภาพแล้วก็บอกการด้วยนิสยะก็บอกอำนาจแล้วก็อินทริยะก็บอกประเภทธรรมก็เป็นอินรียตาเป็นอินรียองค์ธรรมเป็นอันเดียวกันไม่ต่างกันแล้วก็ห้าปัจจัยช า, ชาตะก็พอมาดูชื่อของปัจจัยแล้วก็กลายเป็นสี่ชื่อนะครับสภาพเดียวกันอีกแล้ครับตามตับก็แปลว่าปัจจัยพวกที่เกิดขึ้นภายหลังปัจจิยุบันของตนแล้วก็พลิกไปดูหน้า สามนะฮะรูปอาหารชาติปัจจัยมีสามปัจจัยครับได้แก่อันนี้เพอเป็นชื่อชื่อปัจจัยเนี่ยมีสามแต่ว่าสภาพแล้วเป็นหนึ่งเดียวคือจะเรียกรูปอาหารปัจจัยบอกอำนาจรูปอาหารลัฐิกับอาหารอาวิคตะบอกสภาพว่าเป็นของมีอาหารนั่นต้องเป็นของมีอยู่ กายก็มีอยู่อาหารก็มีอยู่จึงเป็นเหตุเป็นผลกันได้แล้วก็รูปชีวิตอินทริยะปัจจัยเป็นกลุ่มที่เจ็ดสามปัจจัยแต่ว่าจริงๆแล้วก็หนึ่งเดียวครับต่อภาพอันเดียวกันก็คือรูปปฏินรีรูปชีวิตินทรีย์และใช้คําว่าอาตัตติแค่คําว่าวิคตาบอกสภาพความมีไกลเป็นชื่อของปัจจัยหรือเป็นเครือหนึ่งของปัจจัยฝ่ายที่เรียกว่าอัตติปัจจัยวิกตาปัจจัยแล้วก็แปด ปักปตูปนิสยาชาติปัจจัยปัจดใจจำพวกที่เป็นเครื่องก่อนิสัยอมีปัจจัยเดียวครับปักปตูปนิสยาปัจจัยอ่าแล้วก็ก้าวนานักนิกากรรมชาติปัจใจหนึ่งก็ปัจจัยจำพวกที่เป็นกรรมวัดเกินานักนิกากรรมปัดใจนี่ก็ผมก็ว่าโดย โดยสรุปให้เห็นเป็นส่วนกว้างๆนะฮะเรายัางเหลือประเด็นที่ตั้งใจจะพูดอีกเนี่ยนะครับก็มีอารามานปัจจัยผมจะเก็บความรายละเอียดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมาอธิบายว่าอารามานามาให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะว่าอารามานปัจใจเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยกันยังไงไ ง, ไ ง, ไงจะจะมีความแยบยนต์ที่ที่ใกล้ชิดเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็ สภาคะอย่างที่ว่าก็จะพูดกันไปที่ตั้งใจอยู่ในขณะนี้ถึงกลางเดือนมิถุนาเดือนนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะไม่ทันก็อาจจะขยับไปสักสัก ก, กะทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับวันนี้ก็พอสมควรแก่บเวลาก็เชิญพวกเราทั้งหลาย